คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะทําให้เกิดความฉลาดทําให้เกิดปัญญาทําให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องที่สามารถนํำมาไปใช้แก้ปัญหาต่างๆของจิตใจของตนเองได้ปัญหาของจิตใจนี้ก็เกิดจากการที่ไม่มีความรู้ทางด้าน ธรรมะนี่เองถ้าเรามีความรู้ทางด้านธรรมะแล้วปัญหาทางด้านจิตใจต่างๆเช่นความวิตกความกังวลความหวาดกลัวความห่วงใยความฟุ้งร้านความซึมเศร้าอาการอะไรต่างๆเหล่านี้ของจิตใจจะไม่เกิดขึ้นถ้ามีธรรมะ เพราะธรรมะจะสอนให้รู้เรื่องราวต่างๆแล้วจะทําให้สามารถที่จะดับความวิตกกังวลดับความหวาดกลัวต่างๆให้หมดไปจากใจได้ธรรมะที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือเรื่องสังสารวัตรสังสารวัตนนี้แปลว่า วงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีวันสิ้นสุดที่สัตว์โลกทั้งหลายอย่างพวกเราคือจิตวิญญาณหรือดวงวิญญาณต่างๆที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในใต้ภพใต้ภพที่เป็นที่ตั้งของสังสารวัฏที่เวียนการเวียนว่ายตายเกิด สัตว์โลกคือดวงวิญญาณหรือ ด, ดวงจิตดวงใจของสัตว์โลกแต่ละดวงนี้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพต่างๆมีอยู่สามภพใหญ่ๆด้วยกันเรียกว่าตายภพ mm. อายภพนี้ก็มีภพที่หนึ่งเรียกว่ากามภพภพที่สองเรียกว่ารูปภพภพที่สามเรียกว่าอารูปภพ พบเหล่านี้เป็นที่เกิดแก่เจ็บตายของดวงวิญญาณต่างๆกามาพบนี้เป็นพบของผู้ของดวงวิญญาณที่เสพการามเสพการามคุณห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏระชนิดต่างๆ <c oughs> ในกามาพบนี้ก็มี แบ่งไว้เป็นสองสีกด้วยกันสีกเรียกว่าสุกติสีกที่เรียกว่าทุกติสีกที่เรียกว่าสุกติก็คือภพของเทวดาเป็นสวรรค์ชั้นต่างๆส่วนภพที่เป็นทุกขติเรียกว่าอบายมีอยู่สีได้แก่เดลฉานเปรตอสุรกาย น, านรก ส่วนภพที่อยู่ตรงกลางระหว่างสุขกติกับทุกขกติก็คือภพของมนุษย์พวกเราตอนนี้พวกเราเป็นมนุษย์ได้ร่างกายของมนุษย์อยู่ในอยู่ในภพที่ไม่สูงไม่ต่ำไม่สุขไม่ทุกข์มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ปนกันไปเป็นภพที่เราจะมาสร้างภพต่างๆกัน ภพของมนุษย์นี้เป็นภพที่เป็นภพที่จะสร้างสามารถสร้างภพต่างๆได้จะสร้างอาบายก็ได้สร้างสวรรค์ก็ได้อยู่ที่การมาเกิดเป็นมนุษย์ส่วนเวลาที่ไปเกิดในสุขคติหรือในทุกขติอันนี้ก็เป็นที่ไปรับผลของการกระทําในขณะที่เป็นมนุษย์ ถ้ากระทำบุญเวลาตายไปก็จะไปเป็นเทวดาเป็นเทพไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆอยู่ได้ระยะหนึ่งเมื่อกำลังของบุญหมดลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วข้ามาทำบุญทำบาปใหม่ถ้าทำบาปเวลา ตายไปดวงวิญญาณก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนสุลกายบ้างเป็นนรกบ้างนี่เป็นอำนาจของบาปที่จะทําให้ดวงวิญญาณต้องไปอยู่ในทุกขติอยู่ในอบายนะพบเหล่านี้พบในอบายก็เป็นพบชั่วข่าวอยู่ในอบายได้เมื่อหมดเวลาของ ของบาปที่ได้ทำมาไว้ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะมาทำบุญทำบาปใหม่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่คือกามมภพบส่วนอีกสองพบได้กแก่รูปพบและอรูปพบรูปพบก็คือพบของผู้ที่เส่รูปประชาญเช่นพวก นักบวชทั้งหลายพวกนักบวชนี้เขาไม่ยินดีกับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเขายินดีกับการเสพรูปประชานหรือรูปประชานที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของกางมสุขพวกนี้เวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นนักบวชกันแล้วก็จะไปหาความสุขจากการถือศีล นั่งสมาธิเข้าฌานกันถ้าเข้าได้ในระดับรูปฌานเวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะไปอยู่ในรูปรูปภพคือภพของรูปประพมเป็นสวรรค์ชั้นพรหมพวกที่สามารถเข้าสมาธิขั้นอรูปฌปานได้เวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะไปอยู่ในอรูปภพ คือภพของอารูปประมพมภพของรูรปภพของรูปประรมกับภพบของอารูปประรมก็เป็นพบชั่วคราวเมื่อกำลังของสมาธินุชานเสื่อมลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็กลับมาบวชใหม่ไป บวชไปหาความสุขจากการนั่งสมาธิใหม่นี่คือเรื่องของดวงวิญญาณต่างๆที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในจากจากไปพบนี้ได้อย่างไร จะต้องรอให้มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาเกิดในโลกนี้สักครั้งหนึ่งจะมีเพียงคนเดียวหรือดวงวิญญาณดวงเดียวที่มีความรู้มีความสามารถที่จะรู้ถึงสถานภาพของตนเองว่าตวเองนี้เป็นเหมือนนักโทษ ที่ติดอยู่ในเรือนจำของสังสารวัตที่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามอยู่อยู่เรื่อยๆและการเวียนว่ายตายเกิดนี้ถึงแม้ว่าจะมีความสุขจากภพต่างๆบ้างแต่ก็ต้องมาเจอกับความทุกเวลาที่มาเกิดเป็นมนุษย์เวลาเกิดเป็นมนุษย์ ก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บและมีความตายเป็นธรรมดาไม่มีใครที่มาเกิดแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะต้องพัดพ่ากจากของที่รักของที่ชอบเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะทำให้เกิดมีความเศร้าโศกเสียใจมีความทุกข์ทรมานใจ มีคนอย่างพระพุทธเจ้าที่เป็นคนที่เห็นโทษของการที่ได้มาเกิดพระองค์ทรงเห็นโทษของการมาเกิดเมื่อตอนเองได้ไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายก็ทำให้เกิดความกลัวก่อนหน้านั้นไม่เคยได้ออกไปเที่ยวนอกวัง พระราชบิดานี้ไม่ต้องการให้เจ้าชายสิทธัตถะออกไปเห็นสภาพความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตของคนเราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันเพราะเจ้าชายสุดโททนะพระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะนี้ไม่อยากให้เจ้าชายสิทธัตถะเห็นความทุกข์ ของการของการแก่การเจ็บการตายจึงห้ามไม่ให้ออกไปเที่ยวนอกพระราชวางังและห้ามไม่ให้เอาคนแก่คนเจ็บคนตายเข้ามาในวงังไม่ต้องการให้เจ้าชายเกิดความทุกข์ใจเกิดวความหวาดกลัวพเพราะเกรงว่าถ้าเห็นความแก่ความเจ็บความตายแล้ว จะมีความทุกข์ใจและจะมีความปรารถนาที่อยากจะไปหาทางที่จะทำให้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายก็จะจ ะ, จะออกบวชซึ่งเป็นสิ่งที่พระราชบิดาไม่ต้องการให้เจ้าชายสิทธัตถะกระทำเพราะอยากจะให้เจ้าชายสิทธัตถะอยู่คลองราบเพื่อที่จะได้เป็นมหาจักรพรรดิต่อไป ตามคำทำนายของโหราจารย์หลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ประสูติมาก็มีการพาโหราจาร์มาดูทานายดวงชะตาของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะโหราจาร์ก็มีการทำนายไว้เป็นสองสองทางด้วยกันถ้าอยู่ควองลาดก็จะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่ถ้าออก บวชก็จะได้เป็นพระบรมศาสดาเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าชายสุดโทธนะพระราชวิดาก็รู้ว่าถ้าเจ้าชายสิทธัตถะไปเห็นความทุกข์ของการเกิดคือเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายที่จะตามมาก็จะทำให้เจ้าชายสิทธัตถานี้ไม่อยากจะอยู่ครองราชต่อไป อยากจะออกบวชเพื่อจะได้หาทางดับทุกข์จึงไม่ให้พระเจ้าชายสิทธัตถานี้ออกจากพระราชวังไม่ให้ไปเที่ยวภายนอกถ้าไปก็ต้องมีการจัดสถานที่เตรียมไว้ก่อนไม่ให้มีคนแก่คนเจ็บคนตายมาเพ่นพ่านให้ดูแต่เจ้าชายสิทธัตถานี้ก็อยากจะเห็นสภาพความเป็นจริง แบบที่ไม่มีการจัดฉากก็เลยหนีออกไปเที่ยวกับมหาเล็กสองต่อสองออกไปเมื่อออกไปข้างนอกก็เริ่มเห็นคนแก่คนชราเดินผ่านมาซึ่งเป็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็ถามคนมหาเล็กว่าคนคนนี้เป็นอะไรเลยเขาถึงเดินหลังข้อมอย่างนี้ มาเล็ก็ตอบว่าเขาก็เป็นคนเหมือนเรานี่แหละแต่เมื่อเขามีอายุมากขึ้นไปร่างกายเขาก็เริ่มมีความเสื่อมลงก็เลยทําให้เขาไม่สามารถเดินแบบคนหนุ่มคนสาวได้เรียกว่าเป็นคนแก่แม้แต่พระองค์เองสักวันหนึ่งก็จะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันพอได้ทราบว่าตัวเองจะต้องมีความแก่ก็เกิดความ ตกใจขึ้นมาไม่เคยคิดมาก่อนว่าร่างกายที่แข็งแรงของพ่อองค์นี้วันหนึ่งจะต้องกลายเป็นร่างกายของคนแก่คนชราไป mm hmm. ก็เลยเกิดความเศร้าเศร้าหมองขึ้นมาในใจ mm hmm. พอเดิน พ, พอเดินไปอีกสักระยะหนึง่ง mm hmm. ก็ไปเห็นคนบ่วยนอนอยู่หน้าบ้าน mm hmm. นอนบนแคร่ร้องผมร้องไห้ร้องอดคนค้างด้วยความเจ็บปวด ก็ถามมหาเล็กว่าชายคนนี้เขาเป็นอะไรหรือเขาเป็นมหาเล็กก็ตอบว่าเขาไม่สบายเขาเป็นโรคภัยไข้เจ็บเวลาเจ็บเวลาโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นก็จะเกิดอาการทรมานเหมนกับต้องโอดร้องโขนคางขึ้นมาแม้แต่พระองค์เองสักวันหนึ่งก็จะต้องเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันเพอทราบว่าตอนึ่งจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วย ก็เลยทำให้พระองค์นั้นยิ่งมีความเศร้าหมองขึ้นเพิ่มขึ้นอีกพอเดินไปอีกระยะหนึ่งก็ไปเห็นขบวนแห่ศพพาแห่ร่างคนคนตายเพื่อเอาไปเอาไปเผาที่ริมแม่น้ำ<ม>ก็ถามว่าเขากำลังทำอะไรกันมาเล็กก็ตอบว่าเจ้าร่างกายของคนที่ตายไปนี้ไปทำชาปนากิจ ให้ทําการเผาเพราะถ้าเก็บไว้มันก็จะทําให้เกิดอาการเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นเป็นภาพที่ไม่น่าดูน่าชมไม่ไม่มีการเก็บคนตายเอาไว้ต้องเอาไปเผาหรือเอาไปฝังแม้แต่ร่างกายของพ่อเองสักวันหนึ่งก็จะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันพอทราบว่าตัวเองก็จะต้องตายไปในวันข้างหน้า ก็เลยทำให้เกิดความเศร้าหมองภายในจิตใจก็เลยไม่มีกระจิตกระจายที่อยากจะเดินเที่ยวอีกต่อไปก็เดินกลับวงังระหวังเดินกลับวังก็ไปเห็นนักบวชที่แต่งกายไม่เหมือนกับคนทั่วไปก็เลยถามว่าคนนี้เขาทำไมแต่งกายแบบนี้เขาทาอะไรก็ได้คำตอบว่าเขาเป็นนักบวชเพราะเป็นพวกที่ไปหาทาง ที่จะทำให้เขาไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเมื่อส่งได้เห็นนักบวชก็เลยเกิดมีความรู้สึกมีมีความหวังขึ้นมาว่ามีการหาทางที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันนี่เป็นภาพที่พระองค์ได้ส่งได้เห็นในขณะที่ได้ออกไปดูสภาพ ความเป็นอยู่ของชาวบ้านนอกพระราช า, าวังก็เลยเห็นสัจธรรมความจริงเห็นเทวทูตสี่เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชซึ่งเป็นเป็นเหมือนกับเทวดาส่ง่สงส่งข้อความมาบอกว่าชีวิตของเจ้าชายสิทธัตถะ ในวันข้างหน้าก็จะต้องเจอความแก่เจอความเจ็บแล้ะเจอความตายและถ้าไม่อยากที่จะต้องทุกกับความแก่ความเจ็บความตายก็จะต้องไปหาคำตอบจากการเป็นนักบวชเมื่อพระองค์ได้ทรงเห็นภาพเหล่านี้แล้วก็ทําให้เกิดในความปรารถนาที่อยากจะออกบวชเพราะรู้ว่าตอนนี้ เวลาคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตายแล้วมีความรู้สึกทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างยิ่งไม่อยากจะต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็เลยฝากฝากความหวังไว้กับการไปเป็นนักบวชพอมีมีเหตุการณ์มีจังหวะที่พอที่จะหนีออกจากวังได้ก็ทรงตัดสินพระทยัย ในคืนที่พระมเหสีได้คลอดพระราชโอรสออกมามหาเล็กก็นำข่าวมากราบชูนให้ทราบว่าพระมเหสีได้คลอดพระราชโอรสแล้วพอได้ยินข่าวก็ทรงอุทานว่าลาหุนราหุนนี่แปลว่าบ่ ว, บวงบ่วงได้เกิดขึ้นแล้วบ่วงที่จะรัดจิตใจของเจ้าชายสิทธัตถะให้ต้องอยู่ใน ในวางไปตลอดเพราะความผูกพันของพ่อและลูกนี้เป็นบ่วงอันยิ่งใหญ่เมื่อพระ อ, องค์ทราบว่าถ้าไม่หนีออกไปจากพระราชวังในคืนนั้นก็จะไม่มีวันที่จะออกไปบวชได้ก็เลยตัดสินพระไทยอหนีออกจากวังไปในคืนนั้นโดยไม่บอกใครมีมหาเล็กเพียงคนเดียวที่ ตามไปส่งที่ชายแดนแล้วก็เอามา ก, กับแล้วพอถึงชายแดนแล้วพระองค์ก็ทรงเดินไปด้วยเท้าไปเพื่อไปบวชต่อไปอ น, นี่คือการเหตุการณ์ที่ทำให้พระโพธิสัตว์คือเจ้าชายสิทธัตถานี้ตื่นตัวขึ้นมาจากผวังแห่งความหลง ของความความสุขในโลกของการมาสุขในโลกของการเสพรูปเสียงกลิ่นรส ด, ด้วยการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแต่พอได้เห็นสภาพความเป็นจริงของร่างกายว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั้นมันก็หายไปหมดเหลือแต่ความทุกข์ความหวาดกลัว ต่อความแก่ความเจ็บความตายจนทาให้พระองค์จะต้องไปหาวิธีดับความทุกข์เหล่านี้ให้ได้แลนวก็ไม่มีวิธีใดในโลกนี้ที่จะสามารถดับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่เกิดจากความเจ็บเกิดจากความตายได้นหนนอกจากวิธีของนักบวชพระองค์ก็เลยทรงตัดสินใจออกบวช เพื่อไปหาวิธีดับความทุกข์ไม่ให้ทุกข์กับความแก่ไม่ให้ทุกข์กับความเจ็บไม่ให้ทุกข์กับความตายของร่างกาย mm hmm. ก็สรงไปศึกษาไปปฏิบัติอยู่กับครูบาอาจารย์ที่เก่งที่ชำนาญทางด้านสมาธิท่านรูปประชานและอรู ป, ประชานเพราะว่าการที่ทาใจให้สงบอยู่ใน สมาธิของรูปฌานหรืออารูปฌานได้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้จะหายไปชั่วคราวเวลาทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆพอทำใจให้สงบได้เข้าสมาธิได้ความทุกข์ของใจก็จะหายไปแต่หายไปแบบชั่วคราว หายไปในขณะที่อยู่ในสมาธิความทุกข์ไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เวลาออกจากสมาธิมาพอมาเริ่มเห็นเรื่องราวต่างๆมาสัมผัสรับรู้กับเหตุการณ์ต่างๆมารับรู้ถึงเรื่องของร่างกายเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ก็กลับคืนขึ้นมาใหม่ไม่หายไปอย่างทาวรน จึงทรงเห็นว่าวิธีการดับความทุกข์ด้วยการเข้าสมาธินี้ยังไม่สามารถดับความทุกข์ได้อย่างเต็มที่ดับได้เพียงเชื่อมขณะที่เข้าไปในสมาธิเท่านั้นพอออกจากสมาธิมาใจก็ต้องทุกข์อีกพยายามไปศึกษาหาความรู้จากอาจารย์ต่างๆที่เก่ง ก็ไม่มีใครรู้วิธีที่จะดับความทุกข์ของใจในขณะที่ออกจากสมาธิมารู้แต่วิธีดับความทุกข์ใจด้วยการเข้าไปในสมาธิเท่านั้นเมื่อไม่มีใครสามารถที่จะสอนพระองค์ให้รู้จักวิธีดับความทุกข์ของใจในขณะที่ไม่ต้องเข้าสมาธิว่าทําอย่างไรพระองค์ก็เลยต้องไป ศึกษาไปค้นหาไปค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเองลองผิดลองถูกอยู่ลองอดปกจยอาหารถึงสี่สบเก้าวันก็ยังไม่สามารถดับความทุกข์ที่เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้ก็เลยทรงย้อนกลับมาพิจารณาทางด้านจิตใจว่า ความทุกนี้มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายนี้ถึงแม้มันจะเจ็บถึงแม้มันจะตายมันก็ไม่รู้ว่ามันเจ็บมันก็ไม่รู้ว่ามันจะตายผู้ที่รู้ก็คือใจผู้ที่ไปทุกข์กับร่างกายก็คือใจและเวลาที่ใจเข้าสมาธิใจก็ไม่รับรู้เรื่องของร่างกาย พอใจไม่รับนู้เรื่องของร่างกายความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็ไม่ได้เข้ามาในใจที่จะทำให้ใจทุกข์ก็เลย ส, สังเกตดูว่าเวลาใจสงบนี้ใจไม่ทุกข์และเวลาใจออกจากสมาธิมาพอไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายใจก็ทุกข์ขึ้นมา ก็เลยหาสาเหตุว่าทำไมถึงเกิดความทุกข์ในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาอยู่ในสมาธิทำไมความทุกข์จึงหายไปก็ทรงเห็นว่าก็เพราะความอยากนี่เองเวลาอยู่ในสมาธิความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายความอยากอยู่ไปนานๆมันไม่มันไม่ได้ทำงาน กำลังของสมาธิกดความอยากต่างๆเอาไว้หมดความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายก็ถูกกดเอาไว้ความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายก็ถูกกดเอาไว้ความทุกข์ใจก็เลยไม่เกิดขึ้นแต่เวลาออกจากสมาธิมาพอมาอยู่กับร่างกายก็เกิดความรักความหวงร่างกาย ความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการทำอะไรต่างๆหาอะไรต่างๆมาให้ความสุขก็เลยไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเพราะเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายนี้จะทำอะไรไม่ได้ก็เลยเห็นตัวที่มาทำให้ใจทุกข์ก็คือความอยากความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตาย พาไปหลงไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นเป็นใจซึ่งร่างกายกับใจนี้เป็นคนละคนกันร่างกายเป็นคนหนึ่งใจเป็นอีกคนหนึ่งใจมาได้ร่างกายจากพ่อแม่แล้วก็ใช้ใช้ร่างกายนี้พาไปหาความสุขต่างๆพาไปทำอะไรต่างๆก็เลยไปหลงคิดว่าใจเป็นร่างกาย เนื่องจากว่าใจไม่มีรูปร่างหน้าตาใจนี้เป็นเหมือนมนุษย์ล่องหนใจนี้เป็นผู้สั่งผู้คิดผู้รู้ผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆผู้รับรูปเสียงกดลิ่นรสที่เข้ามาทางตาหูจมูกนิ้งกายเป็นผู้รับรู้รูปเสียงกดลดิ่นรสเมื่อได้สัมผัสกับรูปเสียงกดลิ่นรสก็เกิดความสุขเกิดความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเกิดความทุกข์บ้างไม่ ไม่ทุกข์บ้างไม่สุขบ้างก็เลยไปเกิดความยึดติดกับความสุขที่ได้จากการได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายก็เลยต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขพอร่างกายจะเป็นอะไรขึ้นมาก็เลยไม่อยากให้ร่างกายเป็นอะไรไม่อยากให้ร่างกายแก่ ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไม่อยากให้ร่างกายตายเพราะถ้าร่างกายเป็นอะไรแล้วใจก็จะไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้แต่สำหรับพวกที่เป็นนักบวชพวกที่เข้าสมาธิได้เขาก็จะไม่ค่อยเดือดร้อนกับเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรเพราะเขาสามารถเข้าสมาธิได้ แต่เวลาเขาไม่ได้อยู่ในสมาธิความอยากก็ยังมีอยู่ในใจความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็ยังมีอยู่พรมองไม่เห็นความจริงว่าร่างกายนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครห้ามได้เมื่อมันเกิดมาแล้วมันจะต้องแก่มันจะต้องเจ็บมันจะต้องตายไม่มีใครที่จะมีอำนาจยับยัง้ง ความแก่ความเจ็บความตายของร <so ่างกายได้ถ้าอยากไปให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาเปล่าๆก็ทรงเห็นว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากของใจและความอยากของใจก็เกิดจากความหลงความไม่รู้ความจริงของสิ่งต่างๆที่ใจไปอยากอยากได้อยากให้มีอยากให้เป็น ฉันไม่รู้ความจริงของร่างกายว่าร่างกายมันเมื่อมันเกิดมาแล้วมันจะต้องแก่มันจะต้องเจ็บมันจะต้องตายไปเป็นธรรมดาแล้วไม่รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจใจกับร่างกายนี้มาร่วมร่วมกันเป็นเหมือนคู่ครองกันชั่วคราวเหมือนสามีภรรยาที่จะมาร่วมกันอยู่ด้วยกันหาความสุขร่วมกัน แต่ฮแต่ธรรมชาติของร่างกายนี้มันเป็นของชั่วคราวมันจะหาความสุขให้ได้เพียงชั่วคราวเมื่อถึงเวลาที่มันแก่มันเจ็บมันตายก็จะไม่สามารถหาความสุขจากทางร่างกายได้ต่อไปเมื่อไม่สามารถหาความสุขได้ใจก็จะทุกข์ทรมานใจก็เลยเห็นว่า วิธีที่จะไม่ทุกข์ทรมานใจนี้ก็คือต้องระ ง, งับความอยากความอยากเป็นตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาถ้าลดความอยากได้ใจก็จะไม่ทุกข์เวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายถ้าใจไม่ได้มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อน สามารถแยกใจออกจากร่างกายได้สามารถรับความจริงของร่างกายได้ว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ไม่ใช่ตัวใจไม่ใช่ใจใจไม่ได้เป็นร่างกายใจไม่สามารถควบคุมบังคับสั่งให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ ถ้าไปอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็จะทุกข์ไปเปล่าๆถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็คือยอมแก่ยอมเจ็บแล้วยอมตายเวลาร่างกายแก่ก็ยอมรับว่ามันต้องแก่เป็นเรื่องธรรมดาเวลามันเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายมันเจ็บ ไม่สบายถ้ารักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเมื่อถึงเวลาที่มันจะต้องตายห้ามมันไม่ได้มันจะตายก็ต้องปล่อยให้มันตายถ้าปล่อยได้ยอมรับความจริงได้ไม่มีความอยากให้มันไม่ตายได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายแล้วเมื่อไม่มีความอยากเมื่อเห็นโทษของความหลง ที่ไปอยากจะหาความสุขผ่านทางร่างกายเย อ, อ, อยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลภิภัพฑก็ต้องมีร่างกายที่มีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือใจไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑได้ด้วยตนเองเพราะใจไม่มีร่างไม่มีไม่มีรูปไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงมา มายึดติดกับร่างกายมาเกิดมามีร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือพาไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิก่นรสผดสะพานชนิดต่างๆแต่การหาความสุขแบบนี้ก็เป็นมีขอบเขตมีที่สิ้นสุดเพราะว่าความสามารถของร่างกายนี้ มีขอบเขตนั่นเองร่างกายไม่สามารถอยู่ไปอย่างไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายได้พอมันเจอความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่สามารถที่จะไปทําหน้าที่หาลูกเสียงกลิ่นลดผลถ้าพระมาให้ร่างกายมาให้จิตใจเสพได้เวลาจิตใจไม่สามารถใช้ร่างกายพาไปหาความสุขต่างๆจิตใจก็เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาแต่ถ้า ได้ไปฝึกสมาธิได้ไปเรียนรู้วิธีหาความสุขอีกรูปแบบหนึง่งคือหาความสุขจากการเข้ารูปปานหรืออารูปปานที่มีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆใจก็ไม่ต้องอาศัยร่างกายก็ได้ไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกเน้อาย ไม่ต้องอาศัยความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพภพะชนิดต่างๆมาให้ความสุขเพราะใจสามารถหาความสุขจากการจากการเข้ารูปประชานหรือเข้าอารูปประชานไดนน้การที่จะไม่ต้องมีร่างกายการที่ไม่ต้องการจะไม่มีร่างกายไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือให้ความสุข พอเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเมื่อเกิดแล้วมันก็จะต้องมีการแกร่มีการเจ็บและมีการตาย<ม>ทุกครั้งไปที่มาเกิดทุกครั้งที่ยังมีความอยากจะหาความสุขผ่านทางร่างกายก็ต้องมา ม, มาเกิดมามีร่างกายแล้วเมื่อทุกครั้งที่มีร่างกายก็จะต้องมีการแกร่การเจ็บมีการตายของร่างกายทุกครั้งไปถ<ม>้าไม่อยากที่จะต้องมาเกิดมามีร่างกาย ก็ต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขแทนที่จะหาความสุขจากการไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆก็หันมาเสบเสบความสงบแทนเสบความสงบของรูปประชานและอรูปประชานในเบื้องตน้นพอเวลาที่เข้าเข้าฌานนี้ความอยากต่างๆก็จะถูกระ ง, งับไปพอความอยากระ ง, งับไปใจก็นิ่งสงบ เกิดความสุขขึ้นมามก็จะได้ไม่ต้องอาศัยการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือก็สามารถที่จะตัดการไปเกิดเป็นมนุษย์ได้การไปเกิดไปมีร่างกายของมนุษย์ได้เพราะว่าไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกเส้นกายแต่ก็มา ติดกับการใช้สมาธิเป็นการให้ความสุขอยู่ก็ต้องมาหยุดความอยากที่จะหาความสุขจากสมาธิต่อไปตอนต้นก็หยุดหยุดความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายผ่านทางตาหูจมูกนิ้วกายด้วยการใช้ความสุขที่ได้จากสมาธิเป็นวิธีหาความสุขแทนพอราก ละการเสพรูปเสียงกินลดได้ก็มาติดกับการเสพความสุขจากสมาธิจากรูปปานหรืออรูปปานซึ่งก็เป็นความสุขที่เป็นความสงบที่ชั่วเก่าสงบในขณะที่อยู่ในสมาธิเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิความสงบก็หายไปความสุขก็หายไป ก็จะทำให้เกิดความอยากที่จะจะเข้าสมาธิอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าไม่ได้เข้าสมาธิก็จะเกิดความทุกข์ใจ<ม>ก็ต้องมาพิจารณาให้เห็นว่าความอยากที่จะหาความสุขจากการเข้าสมาธิก็เป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่งเ<ม>พราะเป็นเพราะเป็นความอยาก<ม><ม>ก็เลยต้องตัดความอยากเข้าสมาธิไป<ม><ม>คือไม่ต้องเข้าสมาธิ ถึงแม้ใจไม่สงบก็ให้รู้ว่ามันไม่สงบเพราะเกิดความอยากอยากจะเข้าสมาธิแล้วถ้าเราฝืนความอยากนี้ได้พอเห็นโทษว่าการไปติดสมาธินี้ก็ยังเป็นทุกข์อยู่ยังยังต้องติดอยู่ในรูปภพและอรูปภพอยู่ถึงแม้จะออกจากการมาพบได้ก็ไม่ต้องเสบ ร, รูปเสียงกิตลดผลสะพ้ผ่านทางร่างกายแล้ว แต่ก็มาติดอยู่กับการเสพรูปประชาญหรืออรูปประชาญอยูอ่ก็ต้องมาหยุดการหยุดความอยากที่จะเสพรูปประชานหรืออรูประชาญเ ห, หมือนกับการหยุดการจะเสพรูปเสียงจิตลดผลภพะเพราะเห็นว่ารูปเสียงจิตลดผลภพะก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่เสื่อมได้หมดได้เวลาหมดก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ความสุขจากสมาธิจากรูปฌปานและรูปฌปานก็เป็นเช่นเดียวกันเป็นความสุขที่เสื่อมได้หมดได้พอมันหมดมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจกับการเสื่อมของของสมาธิก็อย่าไปเสพสมาธิอย่าไปเสพรูปฌานแลรูปฌปานอยู่เฉยๆสู้กับความอยากหยุดความอยาก พอหยุดความอยากเสรสมาธิได้ใจก็สงบขึ้นมาอีกแบบหนึ่งสงบแบบที่ไม่มีความอยากความอยากต่างๆหายไปหมดเมื mm ่อ hmm. ไม่มีความอยากอยู่ในใจใจที่ดิ่นหลนก็สงบนิ่งลงโดยอัตโนมัติ mm hmm. โดยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเข้าสมาธิใจก็นิ่งสงบ เพราะว่าใจสามารถทำให้ตัวที่ทำให้ใจไม่สงบนี้หายไปได้ก็คือความอยากความอยากเสพสมาธิอยากเสพความสงบพอทำได้ปั๊บพอไม่พอหยุดความอยากเสพสมาธิได้ความอยากหายไปใจก็ว่างใจก็สงบขึ้นมาโดยทันทีโดยธรรมชาติเพราะสาเหตุที่ทำให้ใจไม่สงบใจไม่มีความสุข ก็เพราะความอยากนี่เองความอยากต่างๆตอนต้นก็ระงับความอยากเสพกามเสพรูปเสียงกลิ่นลดได้แต่ก็มาติดกับความอยากเสพความสงบจากรูปประชานกับอรูปประชานก็ต้องให้เห็นว่ามันก็เป็นความทุกข์เหมือนกับการเสพกามเสพรูปเสียงกลิ่นลดก็ต้องหยุดมันหยุดความอยากพอไม่มีความอยากที่จะเสพรูปประชานหรืออรูปประชาน ใจก็จะสงบตลอดเวลาไม่มีวันเสื่อมสงบแบบไม่ม you know, ีวันเสื่อมสุขแบบไม่มีวันเสื่อมเนี่ยความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมความสงบที่ไม่มีวันเสื่อมนี้เราก็เรียกว่าพระนิพพานนิบานังปรามังสุขขังเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมเป็นความสุขที่ที่เลิศที่สุดไม่มีไม่มีวันเสื่อมสุขไปตลอด อันนี้เกิดจากการทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ทำลายความอยากที่เกิดจากเบื้องต้นก็ทำลายความอยากที่เกิดจากความอยากได้ไดรูปเสียงกลิ่นลดพอไปหลงคิดว่าเป็นความสุขแตไม่ได้เห็นว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่มีวันหมดได้ เวลามันหมดนะมันก็ทําให้ใจทุกข์ขึ้นมาแล้วก็มาเปลี่ยนวิธีเสพใหม่แทนที่จะไปเสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็มาเสพความสุขจากสมาธิก็เลยเลิกเสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้แต่ก็มาติดกับความสุขของสมาธิก็ต้องเลิกการเสพความสุขจากสมาธิเพราะความสุขของสมาธิก็เป็นของชั่วคราว เวลามันเสื่อมมันก็ทําให้ใจทุกข์ได้ถ้าใจไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องหยุดความอยากตัวที่ทําให้ใจทุกข์ก็คือความอยากอยากให้ใจสงบไปตลอดอยากให้อยู่ในสมาธิไปตลอดแต่สมาธิก็เป็นของชั่วคราวเป็นของที่ต้องเสื่อมได้หมดได้ก็เลยต้องหยุดความอยากเสพสมาธิเหมือนกับคามหยุดความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ พอหยุดความอยากเสพผ่านสูขจากสมาธิได้ใจก็บ่อยสุดขึ้นมาความอยากต่างๆก็หมดไปพอความอยากหมดไปใจก็นิ่งสงบโดยธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปเข้าสมาธิไม่ต้องไปบังคับมันทําอะไรตัวที่มาทําให้ใจวุ่นวายที่ทําให้ใจทุกข์ทำให้ใจหิวโหยก็คือความอยากต่างๆนี่ พอเห็นด้วยปัญญาว่าการที่จะไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆในในตายภพนี้ในกามภพในรูปภพหรืออารูปภพนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นนัตตาเป็นความสุขที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันเที่ยงให้มันอยู่ได้นานๆไปตลอดทํำยังไงก็อยู่ไม่ได้ แต่ในกามาพบก็ต้องแก่เจ็บตายไปอยู่ในรูประพบอารูประพบก็ต้องเสื่อมลงมามีทางเดียวเท่านั้นที่จะทําทให้ใจไม่ต้องทุกข์ก็คืออย่าไปเสพอย่าไปเสพกามอย่าไปเสพลูกประชานอย่าไปเสเอารูปประชานตัดความอยากเสพเหล่านี้ไปด้วยการเห็นปัญญาว่าตายพบคือการมาพบรูประพบและอารูประพบนี้เป็นตายลักเห็นอนิจจัง เป็นภพที่ไม่จีรังถาวรไปอยู่ในภพใดดีขนาดไหนสักวันหนึ่งมันก็ต้องเสื่อมลงไปมันก็ต้องหมดไปพอเห็นด้วยปัญญาก็สามารถหยุดความอยากที่พาให้ดวงจิตดวงใจนี้มาติดมาเวียนว่ายตายเกิดในตายภพได้ตัวที่มาทำให้ใจมาเวียนว่ายตายเกิดในตายภพก็คือกาสกามาตัญหา ความอยากเสพกามก็จะทำให้มาเกิดในกามะภ พ, พถ้าความอยากเสพรูปประชานคือภาวะตันหาก็จะทำให้มาเกิดในรูปภ พ, พและความอยากเสพอรูประชานวิภาวะตันหาหก็จะพาให้มาเกิดในอรูปภ พ, พถ้าไม่อยากจะมาเกิดในไตรภ พ, พก็ต้องตัดความอยากทั้งสามให้หมดไป ตัดกามตัณหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นล้นตัดภาวะตัณหาความอยากเสพรูปประชานตัดวิภาวะตัณหาความอยากจะเสพอรูปประชานหยุดมันเพราะรู้ว่าสิ่งที่ได้เสพนั้นมันเป็นของชั่วคราวเวลามันหมดก็จะทําให้ใจทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปเสพเมื่อสามารถหยุดความอยากได้ใจก็จะสงบแล้วก็จะนิ่งเย็นสบาย เกิดความสุขที่มาสะจั่ใจขึ้นมาความสุขที่เกิดจากความสงบอย่างถาวรเกิดจากการที่สามารถที่จะหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้และการที่จะหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้พระพุทธเจ้าก็ส่งคนค น, คนพบวิธีวิธีที่จะทำให้ความอยากทั้งสามนี้หยุดได้ก็เกิดจากการปฏิบัติ ทานศีนภาวนานี่เองถ้ามีการปฏิบัติทานศีนภาวนาที่เรียกว่าเป็นมรรคเป็นทางที่จะนําไปสู่การละความอยากการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาพอละได้ถ้าไม่มีการปฏิบัติทานศีนภาวนานี้ใจจะไม่มีกําลังที่จะละความอยากทั้งสามนี้ได้ ถ้าอยากจะลากความอยากกามาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาก็ต้องใช้ทานศีลสมาธิเป็นเครื่องมือใช้ทานศีลภาวนาเป็นเครื่องมือต้องทําบุญเอาเงินที่เราจะไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เอาไปทําบุญแทนเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการใช้เงินทองปกติเวลาเรามีเงินทองถ้าเรา อยากจะหาความสุขเราก็ใช้เงินทองอยากจะไปเที่ยวเราก็เอาเงินไปไปไปจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วเราก็ได้ไปเที่ยวได้ไปเสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่มันก็เป็นความสุขชั่วคราวพอไปเที่ยวกลับมาความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หมดไปก็ทำให้เกิดความเศร้าเกิดความเหงาขึ้นมาก็อยากจะไปเที่ยวใหม่ก็ต้องไป ใช้เงินไปเที่ยวอีกนี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดับความดับความทุกข์หรือหาความสุขให้แก่ใจวิธีหาความสุขให้แก่ใจด้วยการใช้เงินทองก็คือแทนที่จะเอาเงินที่ไปเที่ยวนี้ไปไปใช้กับการไปเที่ยวก็เอาเงินนี้ไปทาบุญทาทานแทนเอาไปบริจาคเอาให้กับองค์กรการกุศลต่างๆหรือไปทาบุญกับวัดกับ ศาสนาที่เป็นนุ่มโพลุ่มใสเป็นที่พึ่งทางจิตใจสนับสนุนพระพุทธศาสน า, าให้อยู่ไปเพื่อจะได้เผยแผ่แรธรรมะอันประเสริฐให้แก่ผู้ที่ยังลุ่มหลงยังมีความทุกข์อยู่ให้หมดความลุ่มหลงให้หมดความทุกข์ได้แทนที่จะเอาเงินไปหาความสุขจากการไปไปเที่ยวไปกินไปดื่มก็เอาเงินนี้ไปทําบุญทําทานแล้วมันก็จะทําให้ตัดความอยาก หาความสุขจากการเที่ยวได้จากการกินการ ด, ดื่มได้นนี้คือเรื่องของการทำทาน mm. เราต้องยุติการใช้เงินทองไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้กายแห้เอาเงินทองนี้ไปซื้อความสุขจากการทำบุญทาทานแทนเวลาทำบุญทาทานแล้วเราจะมีเกิดความรู้สึกอิมเอิบใจเกิดความสุขใจขึ้นมาเราจะทำให้ความหิวความอยากไปเที่ยว ความอยากไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั้นเบาบางลงไปนี่คือเรื่องของการทําบุญทําทานถ้าเรายังมีเงินมีทองถ้าเรายังใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขตอบสนองกามาตัญหาอยู่เราต้องหยุดเราต้องหยุดการทำอะไรเพื่อกามาตัญหากามาตัญหาก็คือความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเองเช่นการอยากไปเที่ยวนี้ก็เป็นการอยากไปหา อยากไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสของสถานที่ที่เราไปท่องเที่ยวนั่นเองถ้าเราต้องการที่จะ ต, ตัดการกลับมาเกิดในการมาพบเราก็ต้องหยุดหาความสุขแบบนี้ถ้าเราใช้เงินถ้าเรามีเงินแล้วเราจะเอาเงินนี้ไปตอบสนองกรมตัณหาเราก็หยุดมันแล้วเอาเงินนี้ไปทำบุญทำทานแทนแล้วการทำบุญทำทานก็จะทาให้เราได้ความสุขที่ยั่งยืนกว่าที่อิ่ม ที่จะทำให้เราไม่รู้สึกอยากจะไปเที่ยวต่อไปได้อันนี้เรื่องของการทำทานสาหรับคนที่มีเงินทองคนที่ชอบใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆให้เปลี่ยนวิธีซื้อความสุขจากการไปซื้อของต่างๆซื้อสิ่งนี้มาเสพด้วยตาหูจมูกลิน้นกายเอามาให้กับการทำบุญทำทานแทนแล้วก็จะได้ความสุขแล้วก็จะได้ระงับลดกามตุหาให้ลงไป แต่ยังไม่หมดอันนี้ก็ลดไปส่วนหนึ่งแล้วก็ให้มารักษาศีลมารักษาศีลแปดกันเพื่อลดการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายศีลแปนี้ก็จะทำให้เรานี้ไปเที่ยวไม่ได้เป็นไปดูหนังฟังเพลงไม่ได้ร้องราทาเพลงไม่ได้ศีลแปนี้จะห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไม่ให้กินมากเกินไปไม่ให้ร่วมหลับนอนกับแฟน เพื่อที่จะได้เอาเวลานี้มาสร้างความสุขจากการนั่งสมาธินั่นเองมาถือศีลแปดกันแล้วก็มาฝึกสมาธิมาเจริญสตินั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วเราก็จะได้เลิกการหาความสุขจากการเสพกรามได้<ม>เวลาที่เราเออกจากสมาธิมาแล้วเกิดความอยากที่จะไปเสกรูปเสียงกลิ่นรสเจ็บกรามตันหาเราก็ ใช้ปัญญาสอนว่าการมคุณห้านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วกราวเวลาได้เศษก็เกิดความสุขขึ้นมาเวลาหมดเวลาไม่ได้เศษความสุขนั้นก็หายไปพอความสุขหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ถ้าเรามีปัญญาสอนใจแล้วเรามีสมาธิที่เราสามารถทำใจให้นิ่งให้เฉยให้ให้อยู่เฉยๆได้ เวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วอยากจะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ใช้ปัญญาสอนใจให้ละได้ละความสุขจากการไปเที่ยวไปกินไปดืม่มไปร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้การจะหยุดการความอยากที่จะไปร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ก็ต้องดูร่างกายดูให้เห็นว่าร่างกายนี้มีทั้งส่วนที่น่าดูและไม่ดไม่น่าดู ภายนอกนี้ก็พอดูได้มีหนังหุ้มห่ออยู่แต่มองเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วจะเห็นว่าไม่มีอะไรน่าดูเลยร่างกายใต้ผิวหนังก็จะมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีตับมีไตมีลำไส้มีปอดมีหัวใจมีอาการที่ไม่สวยไม่งามถ้าต้องการที่จะละความอยากจะเสกการมอยากจะร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ ต้องมองให้เห็นความไม่สวยงามของร่างกายของคนนั้นคนนี้แล้วความอยากที่จะไปร่วมหลับนอนกับใครก็จะหายไปสามารถอยู่คนเดียวได้โดยไม่รู้สึกเหงาความเหงานี้เกิดจากความอยากอยากจะมีแฟนอยากจะอยู่กับแฟนพอไม่ได้อยู่กับแฟนก็เลยเกิดความเหงาขึ้นมาแต่พอเราพิจารณาร่างกายของแฟนว่าไม่สวยไม่งามมีอาการที่โสกโปกที่ไม่สวยงามซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนัง พอเห็นอาการต่างๆเหล่านี้แล้วความอยากที่จะร่วมหลับนอนกับแฟนก็จะหายไปพอความอยากหายไปความเหงาความว้าเวก็ไม่มีอยู่คนเดียวได้อย่างสบายไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าเวแต่อย่างรดพะความเหงาความว้าเวเกิดจากความอยากพอคิดถึงแฟนอยากจะอยู่กับแฟนพอไม่ได้อยู่ใกล้แฟนก็รู้สึกเหงาตั้งแตแต่พอเห็นร่างกายของแฟนว่ามันน่าเกลียดน่ากลัวมากกว่าสวยงาม มันก็จะไม่อยากจะอยู่กับแฟนต่อไปอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่แล้วก็อยู่แบบไม่เหงาด้วยนี่คือการใช้ปัญญาในการที่เราจะสอนใจให้ตัดกา ร, รมรตันหาให้หมดไปจากใจให้ได้รูปเสียงกลิกก่นรสที่เราเสพมันก็เป็นของชั่วกราวเวลาได้เสพมันก็สุขเวลามันไม่ได้เสพมันก็จะทุกข์แต่ถ้าเราเลิกเสพได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมัน เราอยู่เฉยๆได้เบื้องต้นถ้าเราอยู่เฉยๆไม่ได้เราก็เข้าอาศัยสมาธิเป็นที่อยู่ก่อนเป็ียนวิธีหาความสุขจากการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสมาหาความสุขจากสมาธิแทนก่อนพอเราเลิกเสพรูปเสียงกลิ่นรสได้แล้วแล้วเราก็มาหาความสุขจากสมาธิเราก็จะมาติดความสุขจากสมาธิอันต่อไป เราก็ต้องเราก็ต้องมาเลิกเสพสมาธิเราก็ต้องพิจารณาว่าสมาธินี้มันก็เป็นของชั่วคราวมันก็เสื่อมได้เจริญได้มันก็เสือเส่อมได้เวลาเสื่อมจากสมาธิมันก็ทำให้ใจรู้สึกรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวรู้สึกทุกข์ขึ้นมาได้ <Yeah. S 1> ก็ต้องพิจารณาว่าสมาธิก็ต้องเสพไม่ได้อย่าไปอยากเสพสมาธิ ต้องมาตัดความอยากเสพสมาธิตัวสมาธิมันไม่เป็นปัญหาตัวที่เป็นปัญหาก็คือตัวความอยากที่จะเสพสมาธิอย่าไปอย่าไปอยากใจถ้ามันจะเข้าสมาธิเองก็ปล่อยมันเข้าไปได้แต่ถ้าเวลามันไม่มีสมาธิเวลามันไม่สงบก็อย่าไปอยากให้มันสงบเพราะธรรมชาติของใจมันก็ไม่แน่นอนบางทีก็สงบบางทีก็ไม่สงบถ้าใช้เข้าใจอย่างนี้แล้วหยุดความอยาก เสพสมาธิต่อไปพอหยุดความอยากเสพสมาธิได้ใจก็จะสงบนิ่งต่อตัวที่ทำให้ใจไม่สงบไม่นิ่งวุ่นวายอยู่เรื่อยๆก็คือความอยากนี่พอตัดความอยากทั้งหมดได้แล้วใจก็ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจต่อไปเพราะความทุกข์นี้เกิดจากความอยากของใจอยากเสพกลางก็ตัดได้ จยากเศษสมาธีก็ตัดได้ <c oughs> ไม่มีความอยากหลงอยู่ในอะไรอยู่ในใจต่อไปใจก็อยู่เฉยๆอย่างสบายไม่ ม, มีมีอะไรมาสร้างความสร้างสร้างความลบลบกวนใจให้กัดใจต่อไปใจที่ไม่มีความจะความอยากหลงเหลืออยู่เลยนี้เขาเรียกว่านิพพานใจที่สะอาดบอยสุดใจที่ออกจากตายพบใจที่ไม่ต้องาอาศัยตายพบเป็นที่อยู่อาศัยต่อไป เพราะว่ามีที่อยู่อาศัยที่ดีกับตายภพก็คือพระนิพพานเพราะที่นิพพานนี้ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายนั่นเอง <c oughs> ถ้ายังถ้ายังอาศัยความสุขจากของตายพบอยู่ก็จะต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายถ้ายังเสพกามอยู่ก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีร่างกายของมนุษย์แล้วก็ใช้ร่างกายของมนุษย์พาไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย <c oughs> ถ้าเสบรูปประชานารูปประชานเวลาก็ต้องกลับมาเกิดก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาบวชแล้วก็มามาเข้าสมาธิเข้ารูปประชานเข้ารูปประชานก็จะต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเช่นเดียวกันฉะนั้นอย่าหาความสุขจากความความสุขของตายพบอย่าหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสคือการมาพบ อยาหาความสุขจากรูประชาญก็คือรูปภพอยากหาความสุขจาก อ, า ร, อารูปอรูปาญก็คืออรูปภพถ้าเราไม่หาความสุขจาก <c oughs> จากรบทั้งสามนี้ได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะการเกิดนี้มันไม่ดีถึงเมื่อจะเกิดร่ำรวยขนาดไหนเป็นใหญ่เป็นโตหรือเป็นนักบวชสามารถเข้าฌานเข้าอะไรได้ก็ตาม มันก็ยังต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายดัง mm hmm. นั้นการไม่เกิดเนี่ยดีที่สุดและการที่จะไม่มาเกิดไม่มาติดอยู่ในสัสารวัฏนี้ก็คือการตัดความอยากให้หมดไปจากใจตัดการมตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาความอยากเสพกรารความอยากจะเสพรูกประชานความอยากจะเสพแร้วูกประชานให้มันหมดไปจากใจ mm hmm. ด้วยอานาจของ การปฏิบัติทานศีลภาวนาทานทําบุญทําทานแทนที่ยำเงินไปเที่ยวไปกินไปเดินเอาไปทําบุญทําทานแล้วก็รักษาศีลไม่เสพรูปเสียงกินรลดรับรักษาศีลของนักบวชอยู่แบบนักบวชไม่หาความสุขจากการเสพการแล้วก็เข้าสมาธิเรียกว่าสมถาภาวนาทําใจให้สงบหาความสุขจากความสงบ แล้วก็ใช้ปัญญามาตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจตามลาดับต่อไปเมื่อใจสามารถทา้างทานศีลภาวนาขึ้นมาได้ใจก็จะมีกำลังที่จะลากความอยากทั้งสามนี้ให้หมดไปจากใจได้พอความอยากทั้งสามนี้ถูกตัดออกไปจากใจหมดแล้วใจก็จะออกจากสังสารวัฏ ไม่ติดอยู่ในตายภพอีกต่อไปไม่ไม่กลับมาเกิดในกายมาพบไม่กลับมาเกิดในรูปภพไม่กลับมาเกิดในอรูปภพแต่จะไปเกิดอยู่ในพาวนิพานพ์ภนิพานนี้อยู่นอกตายภพถ้าตายภพนี้เปรียบเที่ก็เป็นเหมือนคุกเหมือนตารางส่วนพาวนิพานนี้ก็เหมือนเหมือนสถานที่ที่อยู่นอกคุกนอกตารางอยู่นอกคุกดี ก, กว่าอยู่ในคุกเนีย อยู่ในคุกของสังสารวัฏก็ต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายไปอยู่เรื่อยๆถ้าออกจากคุกของสังสารวัฏได้อยู่นอกคุกก็จะต้องก็จะต้องไม่ก็จะไม่ต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายนี่คือพระพุทธเจ้าและพระอันลันตาสาวกทั้งหลายถ้ท่านไม่ได้อยู่ในตายพพเหมือนพวกเราแล้วท่านอยู่ในพระนิพพาน ที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแต่เป็นที่มีความสุขยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราจะได้จากพบทั้งสามนี้นี่คือเรื่องราวที่พระเจ้าได้ทรงตัดสรตวและได้ทรงปฏิบัติ <c oughs> และก็ทรงนามามาเผยแ ผ, แผ่สั่งสอนให้แก่สรรโลกอย่างพวกเราพวกเราทุกคนนี้ถือว่ามีบุญมีกุศลมีโช ค, ม, โชคมหาศาลที่ได้มาเกิดในยุคที่มีคาสอนของพระพุทธเจ้า ที่จะสอนให้เรารู้จักการพาให้เราได้หลุดออกจากคุกตารางแห่งของตายพบของสังสารวัฏได้ถ้าไม่มีคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้พวกเราจะไม่มีวันที่จะมีโอกาสที่จะได้เลี่นลอดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบนี้ได้เลยดังนั้นเราควรที่จะใช้ประโยชน์จากการที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ด้วยการพยายามศึกษาคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราทําทานสอนให้เรารักษาศีลสอนให้เราภาวนาพยายามเรียนรู้สามอย่างนี้เรียนรู้เรื่องของการทําทานว่าทําอย่างไรเรื่องของการรักษาศีลรักษาอย่างไรเรื่องของการภาวนาทําอย่างไรแล้วนําเอาไปปฏิบัติให้ได้ถ้าเราปฏิบัติได้ เราก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพศไวัยไม่สำคัญเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชเป็นฆราวาดเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ถ้ามีความสามารถที่จะศึกษาและปฏิบัติทานสิงภาวนาได้ก็จะสามารถที่จะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ยังขอให้เราทุกคนนี้รีบตักตวงโอกาสอัน อั ed, นเลิศอันประเสรินี้เพราะชีวิตของเรานี้เป็นชีวิตที่ไม่ไม่ยั่งยืนไม่ถาวรวันหนึ่งเราก็จะต้องถึงแก่ความตายไปเมื่อเราตายไปแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะรับประโยชน์ของคํ า, าสอน์ของพระพุทธเจ้าได้เลยจะรับประโยชน์ได้ก็ช่วงในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในขณะนี้ทท้งนั้นก็ขอให้ท่านจงนำเอาไปพิจารณาและปฏิบัติต่ตอไป การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาเลวะ า, าปุราปริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานาังอุ ป, ปกัปติอิชิตังปัตชิตังตุมหังคิปเมวะสนิจโตสัพเพปุเรนตตสังกปา จันโทปันาวาโสยธามณิโชติอราโสยธาสัพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโวินาสตุมาเตภวะตะวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะ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 เพราะหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกเพราะต้องมีการเคลื่อนไหวทาอะไรต่างๆก <c oughs> ารสนทนาก็จะไม่เหมาะไม่ไม่สะดวก <c oughs> อยากจะถามก็ถามในช่วงนี้ถ้าไม่ถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทาง YouTube ทางเฟซเฟสบุ๊กได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ จาก Facebook พระอาจารย์347 YouTube พระสุชาติไลฟ289 YouTube ด็อคเตอร์วชา58วิทยุออนไลน์12 Club ับฮาส11หน้ากูติ169รวม886ค่ะมีคามําถามฝากฐานเจ้าค่ะ <c oughs> ขอโอกาสสอบถามพระอาจารย์เรื่องผลการปฏิบัติเจ้าค่ะ นั่งสมาธิพบจิตว่างเปล่าสัมผัสได้ว่ามีดวงตาคู่หนึ่งมองลงมาที่ร่างกายและพิจารณาถึงสังขารเกิดแก่เจ็บตายมาลายหายไปเหลือแต่ความว่างเปล่าที่ยังอยู่จิตรู้สึกสงบสุขรื่อปิติเป็นอย่างยิ่งจากนั้นพบว่าบางสิ่งค่อยๆถอดออกจากร่างที่นั่งอยู่และเห็นภาพพระพุทธเจ้ายิ้มแล้วมีความสุขอย่างยิ่หาที่เปรียบไม่ได้จนร้องไห้น้ำตาไหลพร้อมพูดขึ้นว่า ข้าน้อยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะสาธุแล้วก้มลงกราบสามครั้งพอออกจากสมาธิแล้วเพราะว่าร่างกายที่นั่งไม่มีน้ำตาและจิตใจก็เปลี่ยนไปควรปฏิบัติต่อไปอย่างไรเจ้าคะก็พยายามปล่อยวางร่างกายให้ได้อย่าไปยึดอย่าไปติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไม่ต้องไปทุกข์กับมัน คำถามฝากถามจากคุณมัลิกาชัยยาวลูกขอความเมตตาขยายความสงสัยในหัวข้อว่าเมื่อได้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่ามันจะเกิดความอิ่มตัวความอิ่มตัวหมายถึงอย่างไรเจ้าคะคือมันเห็นชัดเจนจนไม่สงสัยมันก็อิ่มตัวถ้ายังไม่เห็นชัดเจนก็ยังสงสัยอมันก็ยังไม่อิ่มตัวต้องพิจารณาทั้งมัน ไ ม, ไม่ไม่มีความสงสยัยว่าอันนี้ไม่เที่ยงแน่นอนอันนี้เป็นอสุภะแน่นอนนี้ถ้ายังไม่แน่นอนยังเห็นว่ามันยังไม่ยับางทีก็เห็นว่ามันสวยบางทีก็ยังเห็นว่ามันไม่สวยอย่างี้สแสดงว่ายังไม่ยังไม่อิ่มใจอิ่มใจต้องเห็นว่ามันจะเป็นอสุภะอย่างเดียวนั่นเองคาถามจากคุณเปรมจิต ข อ, อกราบเรียนถามว่าจะมีเทคนิควิธีใดที่จะให้ท่องจําบทสวดได้คะและระหว่างท่องบทสวดกับหมูนะ่คณะหนูท่องผิดบ้างจะเป็นบาปหรือเปล่าคะมันไม่บาปเลยมันก็แต่เพียงแล้วว่ามันก็ไม่ถูกทําผิดมันก็ไม่ถูกต้องพยายามสวดให้มันถูกแต่เบื้องต้นเราอาจจะจําผิดบ้างจําถูกบ้างก็ฝึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะไม่ผิดนอ คำถามจากคุณอัชลาถ้าเราถือศีลให้อย่างเคร่งครัดเราจะสำเร็จโสดาบันได้หรือไม่คะศีลอย่างเดียวไม่สามารถบรรลุได้ต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาด้วยถึงจะสามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันได้คำถามจากคุณวินลูกมีอาชีพเลี้ยงวัวนมคะ่ะบางครั้งหมุนเงินไม่ทันจำเป็นต้องขายวัวออกไปบ้างให้เขาเอาไปเลี้ยงต่อคะ่ะ แต่เราก็รู้สึกไม่ดีกลัวว่าเขาจะเลี้ยงได้ดีเหมือนกับเราหรือเปล่าจิตใจอ่อนแอและทําใจยากค่ะจึงขอความเมตตาพระอาจารย์ได้โปรดชี้แนะควรวางใจเช่นไรคะควรเปลี่ยนอาชีพนะอย่าไปทํามาหาเกินกับสิ่งที่มีชีวิตเลยเปลี่ยนอาชีพขายผักขายผ้าขายเสื้อผ้าขายอะไรดีกว่าขายประกันก็ได้คําถามจากคนใจดี กาบมรสการพระคุณพระอาจารย์เจ้าถ้าเราเคารพพระรัตนตรัมีความเมตตาให้ทานรักษาสิลภาวนามีลมหายใจเป็นสุขอยู่อย่างสงบสุขจากการเห็นละพรจากตัณหาดันเนินชีวิตตามมีราของโลกเห็นแล้วค่อยๆ ย, ยอมรับการเกิดแก่เจ็บตายเพื่อคลายความหลงรักในโลกนี้เมื่อถึงยามะละร่างกายมีเป้าหมายแดนพานิพานแล้วจะไม่เห็นนิมิตใดเลยแม้แต่ลมหายใจก็จับไม่ไหวเลยไม่เอาสิ่งใดมีแต่ความทอดทิ้งแบบนี้ที่ลูกทํำถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ เมื่อนี่เล่ามาเสียาวเลยที่าว่านไว้ถูกต้องไม่ถูกต้องก็ทําให้มันไม่ทุกข์ก็แล้วกันทําไม่ทุกข์ก็ถูกต้องถ้ายังทุกข์อยู่ก็ยังไม่ถูกต้องคําถามจากคุณใบยกค่คะพอลูกหันมาทางธรรมและบริกรรมภาวนาใจเราสงบแต่พอลูกหลงลืมคําบริกรรมทํำไมรู้สึกว่าตัวเองคิดมากกว่าเดิมเจ้าคะ เพราะแต่ก่อนลูกคิดปรุงแต่งแต่แค่รู้ไม่ทันความคิดใช่ไหมเจ้าคะก็จะคิดมากคิดน้อยก็ไม่สําคัญข้อสําคัญก็คือต้องหยุดคิดให้ได้แล้วกันถ้ารู้ว่าคิดก็พยายามหยุดคิดใช้พุทโธพุทโธใช้คำบาลีกรรมไปอย่าปล่อยให้มันคิดส่วนจะคิดว่ามันคิดมากคิดน้อยมันไม่ใช่เรื่องประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญก็คือเราต้องหยุดคิดให้ได้ คำถามจากคุณดีเคยได้ยินว่าเวลาทุกต้องกําหนดรู้ไม่ทนทุกข์แต่ทําไมผมรู้สึกว่าต้องใช้ความอดทนเยอะเวลานั่งแล้วเจอทุกข์ครับเพราะเราไม่มีกําลังของสติของปัญญาที่จะหยุดความทุกข์นั่นเองต้องพยายามฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาให้มากๆขึ้นแล้วต่อไปเราก็จะหยุดความทุกข์ได้ถามหมดค่ะโอเคอเคข้ามาสิเอาไมโครโฟนไป กับนมัสการค่ะพระอาจารย์สุชาติขอความเมตตาพระอาจารย์ตอบคำถามสองคำถามนะคะคำถามแรกจากที่พระอาจารย์ได้แสดงธรรมพบสามกรรมภพรูปภพอรูปภพกามภพก็มีสุขคติทุคติทุคติก็มีสีคติโยม สงสัยว่าคติเดรลฉานสังสารวัตจะยาวนานที่สุดใช่ไหมคะพระอาจารย์ไม่แน่จะออกมันอยู่ที่บาปที่ทําไว้ว่ามันมันมากมันน้อยถ้าทํามากมันก็เป็นนานถ้าทําน้อยมันก็มันก็เป็นไม่นานเห<า>มือนติดคุกอะถ้าถ้าทำผิดกฎหมายถ้าถ้าไม่ทําผิดมากมันก็อยู่เดี๋ยวเดียวถ้าทําผิดมากเขาว่าขังไว้นานหน่อย ข อ, ขอถามเพิ่มเติมนะคะพระอาจารย์แล้วการที่เราแบ่งเป็นสี่คติะคะ่ะอาจารย์เราแยกแยะจากจุดไหนคะพระอาจารย์แยกแยะยังไงจากจุดไหนที่บอกว่ า, าบุคคลท่านนี้ไปเป็นเปรตวิสัยไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นอสุรกายไปเป็นเดรัจฉานค่ะพระอาจารย์อ๋อแยกยังไงเป็นยังไงเหร อ, หอก่าวบากทำบาลด้วยความหลงก็ไปเป็นเดรัจฉานทําบาลด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรต ทำบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นอสุ ล, ลกายทาบาปด้วยความโกรธอาฆาตพยาบาทก็ไปไฟนรกกลับขอบคุณขอคําถามที่สองนะคะพระอาจารย์ถ้าอันนี้หนูสงสัยเองนะคะพระอาจารย์ถ้าสมมุติว่าคุณพ่อของหนูสิ้นชีวิตแล้วไปเป็นเทวดาชั้นใดชั้นหนึ่งอาจจะไปเป็นเทวดาชั้นดุสิตแล้วหากหนูมีอายุ ตายไปแล้วไปเกิดเทวดาชั้นเดียวกับคุณพ่อคุณพ่อจะจะจำหนูได้ไหมคะพระอาจารย์ไม่รู้จะเจอกันหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะนี่ไม่รู้จะตอบอยังไงก็พระพุทธเจ้าเขาจาแม่ได้พระเจ้าเป็นท่านมีอภินยาท่านสามารถ ส, งส่งกระแสจิตของท่านไปหาแม่ได้ในโลก อย่าถ้าเรามีอภิญยาเราก็คงจะจําพ่อเราได้ถ้าเราไม่มีอภิญญาเราก็อาจจะจําไม่ได้กลับขอบพระคุณค่ะ <c oughs> ขลับนรัส ก, กาณเจ้าค่ะหลวงพ่อถ้าตายไปแล้วไม่มีร่างกายแล้วค่ะจะไปจําตรงไหนจ้าคะไม่มีร่างกายแล้วจะไปอยู่ตรงไหนจ ะ, จะไปจําได้ตรงไหนเจ้าคะเรามีาแต่ดวงจิตความจํามันอยู่ในใจเรามันไม่ได้อยู่ในร่างกายของเราไง พอเราไปเห็นอะไรที่เราเคยเคยมา่ก่อนมันก็จะจำได้มันอยู่ในสัญญามันไม่ได้อยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายมันอยู่ในสัญญาอยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่ร่า ง, งกาย ม, มีคำถามยาวนิดนึงนะคะพระอาจารย์คำถามจากคุณพีวงเปิดฟังเทศเรื่องทุกเขเวทนาและทำสมาธิไปด้วย ขณะทำสมาธิทุกเขเวทนาเกิดพอดีเลยกำหนดพิจารณาตามเสียงเทศมีความเจ็บเป็นคลื่นเล็กๆต่อ ๆ, อๆอกันพิจารณาไประยะหนึ่งหูไม่รับรู้เสียงภายนอกจากที่พิจารณาคลื่นความเจ็บจิตมันย้ายไปที่เซลล์เม็ดเลือดเซลล์กล้ามเนื้อในร่างกายเห็นว่าร่างกายที่ใหญ่โตเป็นตัวเป็นตนตแท้จริงแล้วคือเซลล์ขนาดเล็กมากๆนับร้อยร้ล้านขึ้นมาต่อกันเซลล์เหล่ า, น, น, า น, ๆๆนี้ร้วนเกิดดับตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเมื่อดับจะมีการเกิดใหม่ทดแทนในระยะเวลาที่เร็ว มากจึงทําให้ไม่สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงด้วยตาเปล่าได้ตอนนั้นมีคําตอบทันทีว่านี่คือสิ่งที่พรุทธเจ้าตัดว่าทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นแล้วดับไปพิจารณาอยู่แบบนั้นไม่รู้เวลาจนถอนสมาธิออกมาในตอนเช้ารู้สึกเหมือนไม่ได้นอนแต่ไม่อ่อนเพลียค่ะปกติทําสมาธิอยู่ได้เรื่อยๆแต่ไม่เคยนั่งได้นานเท่านี้นี่เป็นครั้งแรกที่ทําได้นานและเจอประสบการณ์แบบนี้ไม่ทราบว่าทําถูกหรือเปล่ า, ห ร, ลาหรือว่าเป็นจิตปรุงแผ่งเจ้าคะ คือการทำนี้ก็เพื่อให้เราไม่ทุกกับความเจ็บปวดของร่างกายถ้าเราสามารถใช้วิธีใดที่ทำให้เราไม่ทุกกับร่างกายได้ก็ก็ใช้ได้ ม, มีคำถามเหอมีคำถามหรืเปล่าไม่มีฐถามต่อ ถามเเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งดูเผื่อจะมีคำถามเข้ามาอีกกำลังพิมพ์อยู่ก็ต่อันนี้อยากจะถามอะไรก็ถามได้นะเดี๋ยวเลิกแล้วจะเข้ามาถามไม่ได้ถามจะไม่ได้ตอบนะเพราะว่ามันไม่สะดวกสะดวกช่วงนี้ไม่ต้องอายหรอกคนเราก็ หรือว่าเราเป็นนักเรียนัยนนทุกคนก็ไม่รู้อะไรก็ถามได้ถ้าไม่มีก็เอาท่านนี้ก่อนก็นแล้วกันนะสาหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปที่นิตยรนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ